อันนี้เวลาจะถามหรือเปล่าถึงเวลาเวลาปฏิบัติครับหลังจากที่เราได้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยเราออกมาจากสมาธิโยาทฏิบัติคือเราพยายามวิงเวิยนงานในการไปยึดถูกทานถึงขั้นก็อ่านวีสูจนอาจารย์ ว่าพอถึงในตอน bon? ที่มันเป็นนามธรมเรื่องพวกสัญญาความจำหนะครบหรือว่าบุญญาณวิญญาณนะครับอุปกรณงภายในหรือว่าเป็นเรื่องของการตปลี่นแปลงถึงเราไม่เข้าใจว่ามันจะยึด year, ตรงไหนว่าจิตมันจะยึดคือถ้ามันจะยึดร่างกายเนี่ยพอไ้่ใจแ่วามจริงพัฒนาได้ยังพอขมาใจแต่พอจะยึดในสัญญา นิทาวิญญาณมันไม่ได้ชัดเจนว่ามันเขามยึดยังไงแล้วมันมันไปยึดแล้วจะคอยเกิดยึดครับทีนี้มันไปยึดให้เขาไปยึดมันจะยึดยังไงมันไม่ได้ชัดเจนมันไปยึดตรงตัวตัวเวทนางถ้านามขันนี่มันมาสี่ตัวพร้อมกันมันไปเป็นทีมวนยังแล้วไปจับตัวเดียวก็พอจับตัวเดียวแล้วก็จับ จับทั้งสี่ตั ว, ว ต, ต้องจับสตัวไ ม, ไม่ไม่จับตัวเดียวไม่จับตัวเดียวจับตัวเวทนาปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยทั้งหมดมันมาด้วยกันแต่มันมันมันเป็นเพลงเดียวกันเน่ยเวลาทุกเนี่ยทุกเวทนาก็เกิดความอยากอยากให้ทุกตัวเวทนาหายอันนี้ก็เป็นสังขาร สังขารที่สร้างความทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดสังขารตัวนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปคิดอยากให้เวทนาหายต้องเฉยเฉยแต่ว่ารู้มันก็จะปล่อยสังขารปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยวิญญาณเลยพ้อมๆกันให้ดูตัวเดียวดยวตวยวูตัวที่ตัวเวทนาเป็นหลักตัวทุกขก็เวทนาเป็นหลักเพราะตัวเลยไม่เป็นปัญหา สุดเวไมนาไม่เป็นปัญหาอะไรสุดก็มันทำกมันทำเนทีมันจะมาทำพร้อมกันวิญญาณต้องรับรู้ก่อนรับรู้สัมผัสทางร่างกายก็เกิดความเจ็บทางร่างกายขึ้นก็เกก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นพอเกิดทุกขเวทนาถ้าไม่มีปัญญามีความหลงก็อยากจะให้ทุกขเวทนาหา พ อ, อทุกขเวทนาอยากให้ทุกขเวทนาหาก็เกิดความทุกขในอริยสัจขึ้นมาเกิดทุกใจขึ้นมาที่เป็นปัญหาไม่ใช่ทุกขเวทนาที่เป็นปัาคือทุกใจที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราก็มาหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปทําใจาให้เป็นสมาธิพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความอยาก ใหท้ทุกข์ก็ไม่ชนะหายไปพอหยุดความอยากทุกข์กในใจก็หายไปทุกข์ก็ไม่ชนะไม่หายแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรเราปล่อยวางมั น, มนทุกข์ประทุกไปเหมือนตอนนี้ฝนตกเสียงดังถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหยุดเราไม่ทุกข์หรอกถ้าเราอยากให้มันหยุดเราจะทุกข์ขึ้นมาเราก็ปล่อยปล่อยเสียงเสียงก็วิญญาณเหมกัน วิญญาณที่สร้างเวทนาที่น่าลำคาญขึ้นมาเสียงดังมันก็เป็นเวทนาเสียงลำคานเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนาอย่างแต่เป็นทุกขเวทนาที่เราไม่ยึดไม่ติดกันเราปล่อยวางได้เราไม่เาเลยไม่ทุกกันแต่ทุกขเวทนาที่เราปล่อยวางไม่ได้คือเวลามาทางทางที่มันเกิดตามอาการต่างๆของร่างกายเนี่ยอันนี้เรา ไมปล่อยกันปล่อยความอยากก็เลยปล่อยความทุกข์ใจขึ้นมา ท, ที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจนั้นถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้ทุกข์กายหายไปแต่เราก็รู้ว่าทุกข์กายนี่เราทําให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเหมือนตอนนี้่ฝนตกเนี่อยากจะให้เสียงให้ฝนหยุดแต่เราก็รู้ว่า ทำไม่ได้เราก็เลยปล่อยมันตกก็ตกไปเสียงดังก็ดังไปแต่ใจเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็เลยไม่ทุกกันเราก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างสบายทุกก็เวทวนาทางทางร่างกายก็แบบเดียวกันเมื่อี้เราพูดพูดทางทางหูใช่ไหมเสียงมันมีห้าทางทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นและทาง ไอ้ทุกขเวทนาทางการนี่ส่วนใหญ่เราปล่อยไม่ได้กันเอาเกิทุกขเวทนาทางใจแล้วเราไปขยากให้มันหายก็เลยเกิดทุกขทางใจขึ้นมาไอ้ที่คำประมาณน่ะคือทุกขทางใจไม่ใช่ทุกขทางร่างกายพอเราเห็นว่าความทุกขทางใจเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากเสีย อยากไอยากให้ทุกทางกายหายไปแล้วทุกทางกายก็จะไม่รุนแรงที่รุนแรงก็คือทุกทางใจพอทุกทางใจหายไปเราก็อยู่กับทุกทางกายได้อย่างสบายเหมือนตอนนี้เราไม่มีทางทุกทางหูอยากให้เสียงหายไปเราก็อยู่กัะมาได้อย่างสบายถ้ยาเห็นภาพไม่ถูกใจ เห็นภาพก็ที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความทุกข์ทางวินาทางตาขึ้นไม่อยากมองภาพนั้นอยากให้ภาพนั้นหายไปพราะเกิดความอยากให้ภาพนั้นหายไปก็เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้ภาพนั้นหายไปแล้วก็ดูมันไปเฉยๆไปดูภาพชาวลุนโหด้ลยอย่างี้ดูภาพคนเขาฆ่ากันฟันกันแทงกัน ถ้าเราทำใจเฉยๆได้ใจเราก็ไม่ทุกกับภาพนะั่นแต่ถ้าเราทำใจเฉยไม่ได้ไม่อยากเห็นภาพนั้นมันก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมานันเวอาปฏิบัตินี้ให้ดูตัวเวทนากปนหลักพอเกิดความไม่สบายใจรู้แล้วว่าเกิดความอยากขึ้นมาแนละ้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแนละ้ว ก็ดูว่าทุกข้อเรื่องอะไรทุกข้อเสียงข้อกิน่นข้อรูปข้อสัมผัสส่วนใหญ่เราจะอทุกข้อสัมผัสทางกายกันเกล่าเป็นไข้มันก็ทุกมันก็เป็นสัมผัสทางร่างกายเวลาปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายก็เป็นเป็นความทุกทางร่างกายแล้วเ่าส่วนความทุกทางใจอยากจะให้มันหาย ถ้าเราไม่อยากจะให้มันหายเราเฉยๆ เ, เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจเราก็จะอยู่กับทุกข์ทางกายได้คือการปล่อยวางปล่อยวางขันห้าปล่อยอย่างเนี้ยหามขันรูปขันหนึ่งมั น, ม, นมันจะเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันข้าใจไหม ดูไว้้นเวาเรื่อว่าดูตัวทุกข์ใจเนี่ยตัวทุกข์เวลาเราไม่สบายใจนี่เราแสดงว่าเรากําลังยึดติดกับขันห้างนะทางใดทางหนึ่งแล้วเวลาจะปล่อยวางก็ไม่เอากดใจรลักษณ์มาพิจารณใช่ความสิ่งที่เราอยากให้มันหายมันไม่หา ย, ห อ, ยาอ่ะแม้วออยากจะให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นอย่างเนี้ย กระายอ่ะมันง่ายครับจะดีขึ้นเอาเอายกตัวอย่างเวลาคุณไม่สบายกับลูกชายของคุณเนี่ยรู้ๆกะก็แสดงคุณมีความอยากให้ลูกชายของคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว ล, ลูกชายของคุณคืออะไรก็คือภาพที่คุณเห็นไม่ใช่เลยเห็นภาพลูกชายเป็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจอยากให้ลูกชายเป็นอีกแบบนึง แล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณทำใหลูกชายเป็นไปตามที่คุณต้องการได้หรือเปล่าไม่ได้คุณก็หยุดอยากเสีย่อให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาคนก็จะไม่ทุกกับเขาใครก็ทุกทางทางตาเวทานาทางตาทุกขเขาเวทนาทางตาผ่านมาทางตาถ้าเสียงด่าก็ทุกขเขาเวทานาทางทางหู ถ้ากลิ่นนไปเจอกิน่นแบบนี้ก็ทุกข์ขณะทุกขเวทนาทางทางจมูกมันก็แล้วก็ทุกทางใจก็เพราะอยากให้มันหายไม่ต้องการมันมีทุกขสองอันเกิดพรอมกันแต่เราดับทุกขตัวใหญ่ได้คือทุกขทางใจได้คืออยากจะอยากให้ทุกขทางทางตาหูจมูกร่างกายหายไปอยู่ประมันไป แล้วทุกทางใจจะไม่เกิดถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเราก็จะทําใจให้เฉยกับทุกเพาเวทนาทางตาหูจมูกวิ้นกายได้ตอนนี้เราเฉยไม่ได้พอเห็นภาพไม่ดีก็ทุกแล้วไม่สบายใจแล้วได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่สบายใจเลยมันวัยมาก ป, ไปไ s <S มันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะรู้เมื่อก่อเราไปแก้ผิดที่เราไปแก้ที่ภาพเดี <engagements. S 2> ๋ยวนี้จะไปแก้ที่ภาพมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากอยากให้ภาพนั้นเปลี่ยนอยากแต่เราไปเปลี่ยนภาพนั้นไม่ได้ลูกลูกเรานี่เป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นขเขาไม่เป็นก็เลยเครียดทุกขขึ้นมาใน ใ, นใจ อ่านหนังอที่ท่านที่ท่านเทศเรื่องครรมบุญขาวคือท่านอธิบาว่าคือเราอ่ะตาองนั่งสมาธิจนถึงท่านอธิษฐานออกมานี่ถ้าคุจะมาพิศารณาถ้าจิตเนี่ยมันหลับไม่งั้นจะเป็นแค่จิตสำยาปัญญาหรือไม่งั้นก็เป็นแค่เป็นแค่จาตรำยาปัญญาอย่างนี้ กิกปฏิบัติเนี่ยกาปฏิบัตินาสมาธิเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแล้วการที่รนาที่จะให้เกิดภาวนามยปัญญาเนี่ยมันก็คือพูดง่ายมันคงได้ก็ได้ผลในระดับม่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดคุณคุณปล่อยวางสิ่งที่คุณกำลังทุกอยู่ได้คุณก็ได้เหมือนกัน เส้นทุกข์ปัลลู่คุณนี่แล้วก็ตัดใจเป็นข้างหัวมันมันจะตายให้มันตายไปคุณก็จิตก็สงบเข้าสวดปัญหาได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะ อ, อ่าอ่าอ่า อ, <ๆ S 2> อันนี้เรียกว่าปัญญาลมสมาธิใช้ปัญญาจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเครียดคุณทุกข์มากแล้วคุณเห็นว่ามันเกิดจากปัญหาความอยากของคุณแล้วคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณอยากมันคุณไปทําอะไรไม่ได้ ก็เลยตัดใจคช่างมันมันจะเป็นอะไรช่างหัวมันพอคุณตัดใจรับคุณหยุดความอยากรับจิตที่เคียน่ก็สงบมันก็สงบไปถึงฐานเลยถึงสมมาเงอัปปนาไปเลยแล้วปัญญาวบรมสมาธ ไ, ได้ไไดไดเวลาอาจจะไม่ถึงไม่ถึงอัปปนาก็ได้ คือถึงจุดปกติคุณใจไม่ทุกข์ออกมาแล้วเป็นปกติเหมือนตอนนี้ตอนนี้คุณไม่ทุกข์กับอะไรแล้วถ้าเวลาคุณทุกข์แล้วคุณใช้ปัญญาคุณก็จะกลับมาอยู่ที่จุดปกติได้ก็ใช้ได้ไม่ต้องอัปปนาก็ได้เพราะการปฏิบัติเป้าหมายที่แท้จริงก็คือให้จิตเป็นปกติไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ามีอัปปนามันจะช่วยได้มากมันจะมีกําลังมาก มันจะหยุดได้ง่ายไข่ได้ง่ายตัดได้ง่ายถ้ามันไม่มีมันยังยืดอยู่ยังยังหวงอยู่ยังห่วงอยู่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าเมื่ไหร่จะถึงวงันอ่อนอ๋อก็คนก็ต้องถึงมันถึงก็ถึงถึงจนะรู้ไงมันสันพิจิโกะางมันกินข้าวอะ่ะคุณกินไปเดี๋ยวอิ่มคุณก็รู้เองว่าอิ่มเมื่อไหร่ถ้าคุณยังไม่อิ่มคุณก็รู้ว่าไม่อิ่มอ่ะ แต่อย่างที่บอกอาจจะไม่จาเป็นจต้องมีอภรณาก็ได้แต่ถ้าถ้าคุณมีปัญญาที่สามารถจัดปัญหาความอยากของคุณได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นปัญญาที่ทำให้ใจที่ทุกข์นี่พลิกหน้ามือเป็นหนังมือใจที่ทุกข์ที่เคียดกลับมาเป็นปกติไม่เดือดร้อนนั่นการจะใช้ปัญญานี่มันต้องใช้ตอนที่เกิดความทุกข์มันถึงจะเห็นผล ถ้ยังไม่จ่อยความทุกข์มันยังไม่เห็นก็มันเป็นเหมือนจินตนาการคิดอยู่มันต้องมีความเครียดมีความทุกข์แล้วก็พอพอตัดความอยากจบเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ได้ความทุกข์นี้ก็จะหายแบบแบบกลับมาเป็นปกติเหมือนกับหายจากเป็นไข้อย่างเงี้ยเวลาคุณเป็นไข้ก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไง เวลาคุณหายจากใข้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าหายแล้วไม่มีใข้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันทุกทางใจก็เป็นเหมือนไข้อย่างเงี้ยพอคุณเอาเหตุของทุกทางใจออกไปได้ความอยากออกไปได้เนี่ยทุกทางใจจะหายเลยแล้วคุณจะสบายอาจจะทุกข์กับเรื่องเงินทงองก็จะมายึดบ้านอย่างเงี้ยอ่ะ ย, ะยึดจะยึดย้ายออกอ่าหายเคลเลย ถ้ไมยากไม่เขายึดยังอยากจะอยู่ในบ้านนี้อยู่ยังเสียดายอยู่ยังรักยังหวงอยู่ก็เครียดกินไม่ได้น้อนไม่หลับอยู่ในบ้านนี่เนี่ยช่วยไปนอนใต้สะพานดีกว่าไปนอนวัดดีกว่านอนหลับสบายอายเครียดปล่อยได้ไงเหตุนั้นถ้าคนมีปัญญาในระดับที่คุณตัดตัญหาได้ก็ไม่ต้องเหนียวปานาก็ได้แต่มันยากเท่านั้นอ่ะ ท่านพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วนี่มีประโยชน์มากมีอันนี้มีมีคุณมากต่างกับปัญญาที่ไม่มีสมาธิอบรมท่านแปลว่าปัญญาที่ไม่มีสมาธิอบรมส่วนใหญ่ก็ตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดฟ้องไม่ได้วางไม่ได้ยังรักยังหวงอยู่แต่ถ้ามีอัปปนามีสมาธิแล้วเนี่ยมันมันตัดได้ง่าย ยังบอกว่าเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วนี่จะเป็นอ น, นิสงฆ์มากมีประโยชน์มากสมาธิที่ศีลอบรมแล้วก็จะมีประโยชน์มากคุณอยากจะนั่งสมาธิเมื่อปานานี้คุณต้องมีศีลศีลแปดอย่าง น, นี้ศีลห้า น, นี่ยังไม่พอต้องศีลแปดเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมีศีลแปดคุณจะได้ไม่ไปทํากิจกรรมอย่างองื่น ไม่ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปกินน้องกินเลี้ยงคุณก็จะไม่มีนิวรณ์ต่างๆมาขัดขวางการนั่งสมาธิทําให้การนั่งสมาธิสนุกง่ายท่านสอนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ส น, นับสนุนกันสมาธิที่ศีนอบรมแล้วมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วมีอนิสงส์มีประโยชน์มาก จิตที่ปัญญาอบรงแล้วก็จะหลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดือวจิตที่มีปัญญาที่เรียกว่าเป็นเป็นภาวนาไมยปัญญาเนี่ยก็จะทำให้จิบหลุดพ้นจากความทุกได้ถ้าปัญญาที่ไม่มีสมาธิยังเป็นจินตาเป็นสุตตะอยู่นี่มันตัดไม่ได้อย่างเราคุยกันเนี่ยคุณรู้แล้วแต่ยังตัดไม่ได้ ก็ไม่มีกําลังเป็นปัญญาที่ยังไม่มีสมาธิสนับสนุนแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ครับขันอาจจะเป็นปัญญาที่เห็นจริงแจงก็ได้เห็นแบบไม่ต้องมีสมาธิก็ได้คุณไหนๆจะตายแล้วยอมตาย เ, าเลยเีๆพอยอมตายบ้างมันก็หายทุกข์จากทางกลัวตายได้แต่ถ้าไม่มี ปัญญาแล้วไม่มีสมาธินั้นก็สติแตกเป็นบ้าไปเลยพอจะเข้าใจออนี้จะพูดเป็นแบบสูตรตายตัวทีเดียวก็ไม่ได้บอกจะต้องมีปัปนาแล้วถึงจะได้มีปัญญาอันนี้ก็ไม่แน่บางทีคุณมีปัญญาระดับจินตายอยู่แล้ว แล้วพอคุณไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วคุณโกงได้ยอมรับได้คุณก็ดับความทุ่งได้เหมือนกันแต่จะทาได้หรือไม่ได้กต็ต้องไปทํำข้อสอบเอาแล้วต้องไปเจอเหตุการณ์จริงแต่ถ้าพูดตามสูตรแล้วว่าถ้ามีปัญญาแล้วแล้วมีปัญญาทิมตามวิทยาปัญญาแล้วเนยง่ายปล่อยได้แน่ๆตัดได้แน่ๆผมก็นำํำมย เวลาผมอ่านหนัือที่ท่านอาจารย์เขียนผมก็นำไปคบาการันก็ค่อยเปลี่นไปยังเลนัดไม่ได้ดีเพ่อเลยมันมันไม่ได้ยังลาออกงานอยู่เฉยๆทิ้งทกอย่างยังไม่ได้มัก็ได้ผลดีขึ้นบยังสลัดลาบยสารเสนสุกไม่ได้เส็นที่หลได้ไหมหดมีม่จบยมาก แต่ยังไม่ทิ้งมันไม่ติดแต่ยังไม่ทิ้งมันขอเจ็บไว้ก่อนขอเจ็บไว้ ด, ดูแลก่อนอ้าวคนที่เขาไม่ติดเขาไปบวชแล้ว เรามาอยู่ที่แค่ดอยู่มีแค่ในป่ามีแค่กระทางเดินตรงกลมมีที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็ที่เดินจงกลมเนี่ยพอแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติมีแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็มีอาหารกินวันละมือ้อเรอยู่บ้านก็พยายามทานแ่มก็คงไม่เข้มค้นอยู่วันเพราะมันมีมันมีของรล่อใจเยอะของดูดใจเยะ นี่บอกว่ามันเป็นความคิดางยังไม่เป็นความจริง <laughs> ดีอะไรไหมพอจะเข้าใจเรื่องฐานให้ใคือคนจิงอ่า น, นี้หนะัสือท่านท่านนันก็อธิบายบางส่วนแต่ไม่ ล, มละเอียดวก็ คือพอมันแยกเป็นห้าอัานเยอะทาไมเวลาแล้เราจะไปพิจารณาแยกกันยังไง อ, ะอ่ะอทีนพอท่านอธิบายว่าจริงๆแค่ไปดูตรงเวทของงามันมีสองส่วนอ่ามันเป็นพวงทํางนานไปด้กานใช่ร่างกายก็พวงหนึง่งเวทนามขันก็พวงหนึง่งร่างกายเราก็ไม่ได้ดูอาการสามสิบสองอ่ะเราก็ดูว่ามันแต่เจ็บตายแค่นี้ก็พอลอะมันติดกันอ่ะ เราไม่ติดกันการปฏิบ ini, ัตินี้เราก็เปลี่ยนสัญญาสังขารไปในตัวเราเปลี่ยนสัญญาเก่าจากการเห็นว่าเวทนาร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นนามนักตามันเป็นอนิจังอันนี้ก็เปลี่ยนสัญญาละแล้วสังขารเราก็เปลี่ยนสังขารแทนที่จะอยากให้มันหา ย, ยก็เปลี่ยนเป็นเฉยๆไม่ต้องไปอยากให้มันหาย วิญญาณวิญญาณนี่เราไม่ต้องทําอะไรเพราะมันเพียงแต่รับข้อมูลมาให้เราท่นเองรับภาพรับเสียงรับกลิ่นมาให้เราเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับรูปเสียงกลิ่นรสให้ถูกโดยที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คืออย่าไปอยากรับรู้เฉยๆสักจะว่ารู้อย่าไปกรุงแตงว่าเอาดีต้องอยู่กับเราเป็นานๆนไม่ดีต้องหายไปเร็วๆ ือทําให้เกิดปัญหาความอยากแล้วก็เกิดปัญหาคือความทุกข์ใจที่ไหนที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ใจนี้เท่นั้นเองเราดับเราดับสังขารไม่ได้เราดับนามขันไม่ได้ร่างกายเราก็ดับมันไม่ได้ต้องปล่อยมันดับนเองถ้าไปดับมันด้วยข่ามันมันก็ผิดอีกอ่ะ ม, มันไม่จําเป็นจะไปข่ามันมันไม่มีมันไม่มีโทษเท่านี้นะ ตัวที่เป็นโทษไม่ใช่ไม่ใช่ขันตัวที่เป็นโทษก็คือตัณหาความอยากของเราที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเร า, า ร, ร่างากายกา anger, ญญาามันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์กับแล้วคือความอยากตัณหากร า, า, รารมาตัณหาเพราว่ตัณหาวิภาวตัณหาที่เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าขันหา้าเป็นพวกเราเป็นตัวเรา เราก็แลามาแก้ความหนุ่ด้วยใช้ปัญญาพิจณาสอนว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วปล่อยมันร่างกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายเวทนามันจะสุกก็ปล่อยมันสุกมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์มันจะสุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไม่สุขไม่ทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆแตกแต่ว่ารู้ เวทนากเกิดจากภาพที่ได้เห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราได้ดมลิ้นที่เราอรสที่เราได้สัมผัสได้ลิ้นแล้วก็อาการแข็งเจ็บทางร่างกายก็ผ่านทางร่างกายเท่านั้นเองมันเป็นธรรมชาติที่ใจมารับรู้แต่ใจไม่รับรู้เฉยๆไปเกิดความอยากเกิดวความรักความชังในสิ่งที่รับรู้เวทนาแบบนี้รักเวทนาแบบนี้ไม่รัก พอสุขเวทนาก็รักก็อยากจะให้อยู่นานๆพอหายไปก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันทุกข์เวททุกขะนะทุกขเวทนายังไม่ทันเกิดเลยเพียงแต่สุ ข, ขเวทนาหายไปก็ทุกข์ละเวลาเวลาบายๆจากกันเนี่ยเวลาเห็นภาพเห็นคนที่เรารักเราก็ดีใจอยู่ด้วยกันก็มีความสุขพอเขาต้องไปทํางานหรือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็สุ ข, ขเวทนาหายไปแล้วใจก็ทุกขึ้นมาแนละ้ พออยากให้สุกเวทนาอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้สุกเวทนาอยู่หายก็หายไปเข้าไปก็ไปเราก็เฉยมันก็ไม่เดือดร้อนในวิธีที่จะทําให้ใจเราเฉยก็ต้องอัปนาสมาธิเวลาจิตรวมแล้วมันจะกลับเกลืนสู่ธรรมชาติของมันจิตธรรมชาติของจิตเป็นถ้ามันไม่มีอะไรมา มาลบกวนมันมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะเป็นอุเบกขาแต่ตอนนี้ตัวมาลบกวนมันก็คือตันหาความอยากมันก็เลยทำให้จิตไม่สงบงั้นเราก็มีวิธีทำจิตให้สงบสองวิธีวิธีเพ่งด้วยอารมเพ่งอารมใดาอารมหนึ่งเช่นพุทโธมันก็สงบได้หรือใช้ปัญญาถอนตันหาออกจากใจ ถ้าใช้ทางปัญญามันถาวรเพราะถอนตัวเป็นปัญหาออกจากใจไปแต่ถ้าใช้สติเพ่งมันกดตัวตัวตันหาไว้มันยังไม่หายพอเราไม่ได้ไปกดมันมันก็โผล่ขึ้นมามันก็มาสร้างปัญหาขึ้นมาใหมา่สร้างความทุกข์ให้เราเหม่ดังนันการใช้สติเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวดึงใจให้เข้าสู่สมาธิกดตัญหาความอยากไว แต่ไม่ได้ฆ่ามันพอออกจากสมาธิมาตันหาความอยากก็ออกมาลบปวนใจต่อคือไ ม, ไม่ที่ออกมาก็เพราะว่าสติเราอ่อนกําลังแล้วตันหามันมีกํำลังมากกว่ามันเลยแแ่งออกมาเขย่าความจริงเราไม่อยากจะออกอะแต่มันออกมาก็ตันหามันอยากจะออกมาละ มันหากะเะพาะร่างกายมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดเวทนาเริ่มบอกปวดฉีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะนึงใจให้ออกมาแต่ถ้าเราถ้าเราใช้ปัญญาถอนขอดถอนปัญหาความอยากได้มันก็จะไม่มีจิตก็จะสงบตลอดเวลาเป็นอุเบกขาตลอดเวลา แสดว่าอารมณ์ของผู้ปฏิบัติทำที่ทดีก็คือต้องมีอุเบกขาตลอดเวลาใช่มันก็กิ่นก็จะนี่นั่นี่สงบและเวลาเกิดความทุกข์ใจก็จะเห็นได้ชัดแต่สําหรับใจที่ไม่สงบนี้มันไม่มันมั น, ม, นมันมีความทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วพอเจิดความทุกข์ขึ้นมามันก็มองไม่เห็นนอกจากทุกข์แรงๆเท่านั้นมันถึงจะเห็น ลกบาๆมันก็แก้ด้วยการไปทําตามความอยากพออยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มนะมีความทุ่งในใจแล้วแต่มันไม่ไม่รุนแรงแต่มันรู้แต่มันแต่มันยู่มมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันต้องไปดื่มกาแฟมันจะหายเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําตามความอยากกันแล้วก็ไม่มีวันหายเพราะความอยากมันไม่ได้หายด้วยการทําตามความอยากมันก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ต่อกัน วิธีที่จแก้ปัญหาก็ไม่ต้องไม่ทําต้องไม่ทําตามความอยากเพราะไม่ทําแล้วความอยากก็จะหมดกําลังไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากดื่มกาแฟเอาไม่เชื่อลองดูสิทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟนี่อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวอีกต่อไปไม่นานมันก็เฉยๆกับกับกาแฟแล้วมันไม่รู้สึกอะไรให้ฝืนฝืนไว้ก่อนอย่าไปทำตามความอยาก อยากจะดื่มกาแฟก็ดื่มน้ำเปล่าแทนไปถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำไปทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟก็ดื่มน้ำไปต่อไปก็ไม่ต้องดื่มกาแฟดื่มน้ำได้ทุกครั้งอยากจะดูอะไรก็ดูหนังสือธรรมะแทนอยากจะดูหนังก็ดูหนังสือธรรมะต่อไปมันก็ไม่อยากจะดู อยากจะสู่บุหรี่ก็สูดลมหายใจแทนพุทธอนาปนานสติไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็สูตรลมเหมือนกันไม่เหลยบุหรีก็เป็นลมไม่เห็นเลยแล้วก็สูรลมสาอาดไม่ดีกว่าเลยดีก็ไปสูตรควันพิษใช่ไหมบุรีนี่เป็นควันพิษแท้ๆสูตรจะกระท่งปอดปอดเสียปอดพัง ชลาเรื่องง้อด้ย่ยคืยเวลานั่งรถพอจะตามรถที่มีควันพิษหน่อยโอ้โหปิดสมูกกันหมดแต่พอถึงเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ควัา บ, บุหรี่มาสูบกันควันอันไหนมันจะไล่แรงกว่ากันอันนั้นเข้าไปในปอดเลยควันไอไอไ อ, ไอควันนี้ออกมาดูเข้าไปแล้วออกมาแล้วไม่ใช่ขนเดียวไม่ต้กี่ขนนี่ย อาจาเาเวลานั่งสมาธิเนี่เวลาเรานั่งเนี่ยคืมันก็มันก็สงบแต่ไอ้ที่ผมถามนี่คือเห็นอัปนานี่มันหมายถึงว่ามันจะเห็นแสงสว่างหรืออะไรยไไม่ไม่ไม่ไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรมันจะมันจะตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งอยู่เหมือนกับอยู่ในอวกาศยลอยอยู่ในอวกาศมันก็เหมือนตกลุตกบ่อก่อนอ่าอยังไม่เคยอ่ายังไม่เคย ถ้ามันเคยแล้วมันจะไม่ไ ม, ไม่ถามเนาะ <c oughs> คนที่เคยแล้วเขารู้อ๋ อ, อเป็นยังไงเขาจะรู้ว่ามันเบาอกเบาใจมันเหมือนลอย<ร>อยูเ<ร>อ่เนาะฝุกนานไมเนกเท่ามันเจอตรงหลุมบ่อเนี้ย <c oughs> มันไม่อยู่ให้นานไม่นานอยู่ที่มากหรือ ม, มากหรือน้อยทําบ่อยไม่บ่อยอทำทั้งวันก็นมีสติควบคุมความขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าโฟกึมได้นั่งสมาธิห้านาทีมันก็รวมได้ก็บนาทีมันก็รวมได้ตัวปัญหาคือตัวสติมันไม่ต่อเนื่องมันไม่อยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่อยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่เรื่องปั๊บเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้นะก็เลยมันไม่อยู่นิ่งถ้าให้มันอยู่เรื่องเดียวมันถึงจะนิ่งให้มันอยู่นิ่งได้ต่อเนื่องห้านาทีมันก็รวมได้ ลองทําดูแตห้มนห้านาทีให้ให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไม่ไปไหนเลยได้อยู่ดูลมอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยห้านาทีรับรองได้อัปปนาได้ดนี้นคนบางคนที่ก็ามีสติดีๆพอเขามานั่งดูลมห้านาทีพุโทโธห้านาทีเขาก็รวมได้เังนั้นพระพุทเจาบอกสตินี่สําคัญมาก เป็นเป็นกุญแจที่จะเปิดสมาธิปัญญาต่างๆให้ตามมาได้ตัวนี้เป็นตัวแม่เลยที่จะให้กำเนิดแต่สมาธิปัญญาและวิมุตติการมีคนถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีวันที่จะทำได้คนไม่มีสติก็เหมือนคนบ้าอย่างเงี้ยทำไม่ได้คนเมานี่ททำไม่ได้คนหลับนี่ทำไม่ได้เพราะไม่มีสติ แล้วคนตื่นนี่ก็มีสติแต่สติมันน้อยสติมันมันไปไปมันมันมันดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ได้กิเลสมันชอบดึงไปหาเรื่องนู่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลเาเลยต้องดึงมันมาตอนต้นเลยเรื่องชักกเยากันกิเลดึงไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราดึงมันมาหาพุทโธหรือมาดูลมหายใจเรือ ด, ดูร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นการดึงเข้ามาให้อยู่กับเรื่องเดียว สายกิเลสชอบเดินไปหาลาบยศสนรเสรินหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆน ะ, ะตื่นขึ้นมานี่ไปแล้วใช่ไมไอ้วันนี้จะไปทำอะไรดีไปกินอะไรดีไปดูอะไรดีมันคิดไปละคิดไปเรื่องต่งยังบอกว่าพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธใส่มันเลยเดิมมันไว้เลยพุโทโธพุโทโธไปทำในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นอาบน้าแต่ง ร่างหน้าร่างตาสีเผาวิผมแต่งเนื้อแต่งตัวไปทำงานก็ไปทำงานถ้าไม่มีไม่ทำงานก็อยู่บ้านเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธไปอย่างเดียวทำอย่างนี้ไปดูสิหนึ่งมันไว้อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆผมก็ได้ทำแต่ว่าค่อยๆค่อยๆดบขึ้นค่อยๆดีขึ้ น, นแต่มันีม่ได้วเยเท่วดี อตอนนี้คิดไปในทางปัญญาก็ไม่เป็นประโติ๋วอย่าไปคิดเพราะมันใช้ความคิดมันก็จะทําให้เจิตลอยไปลอยมาอยู่ดีหรือใช้ความคิดแต่ไม่ไมาจ<ม>จะเป็นติ๋วให้ยันนิ่งให้อยู่กับเรื่องเดียวดีกว่าถ้าจะทางปัญญาจะเรื่องเดียวก็กระดูอย่างเดียวนี้ถ้าจะดูอาการร่างกายก็ดูอย่างเดียวไปหรือตอนต้นมันยังไม่ยอมอยู่เรื่องเดียวก็ให้มันอยู่กับ3 2รออาการไปก่อนก็ได้ แต่เป้าหมายก็คือให้มันมาอยู่เรื่องเดียวให้ได้ใ น, นที่สุดมันต้องอยู่เรื่องเดียวมันถึงจะรวมได้ถ้าจะใช้การเพ่งใช้สติเนี่ยมันต้องอยู่เรื่องเดียวถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องเกิดความเครียกขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละถึงจะใช้ปัญญามันถึงจะทาให้จิตสงบตัวได้แล้วก็ตัดปัญหาความอยากได้ ก็มี2วิธีสติหรือปัญญาแต่ปัญญานี่ยากกว่าสติมากสตินี่เหมือนกับสอนเด็กกอไก่ขอไ ข, ข่แค่นี้ก็ได้แล้วปัญญานี่เหมือนสอนวิชาระดับด็อรเตอร์นี s อะสตรอฟิส s กนี่นิวเคลียร์ฟิสิกนี่เป น, นเรื่องระดับปัญญาเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปมันจะคิดไม่ได้หรอันนี้จทุกขังอนาตามัน ฟังมันคำว่าง่ายนะแต่คุณลองวิเคราะห์ดูคําว่าอ น, นิจจามันไปถึงไหนกันเมันกว้างยายใาางหญ่ไพศาลขนาดไหนยิ่งอนัตตายิ่งไปถึงไหนเลยพูดกับหมอนี่หมอบางอย่างหมอยังไม่เข้าใจเลยว่าความหมายความอนัตตานี่หมายถึงอะไรบ้างควาว่าไม่มีตัวตนนี่แปลว่ายงงอย่างไรยังแปลกันไม่ออกเลยก็ น, นี่ไงนี่ไม่มีตัวตนนะ นี่ไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนเทุกอย่างมันเป็นไอ้นี่ก็ไม่มีตัวตนแต่เราไปเรีย่ามันมีตัวตนขึ้นมาเองเข้าใจไหมไอ้นี่กับไอ้นี่เหมือนกันเข้าใจไหมทาไมเราไม่ยึดติดกันนี่ทำไมเรามายึดติดกันนี่เพราะเราหลงที่ว่ามันเป็นตัวเราตัวตนพระเจ้ามันนั่ก็เหมือนกันน่ะไอ้นี่ก็ไอ้นี่มันก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุเหมือนกันอนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกัน เดี๋ยวมันก็ไปกองขยะเหมือนกันอันนี้ก็ไปกองขยะอันนี้ก็ไปกองอกองขยะมันตายไปเข า, เาไปทิ้งในป่าชา้าก็เป็นกองขยะเหมือนกันเนี่ยต้องดูให้มันเห็นว่ามันมันอนัตาเป็นยังไงไม่ใช่ตัวเราของเราเลยจะไปอ่านดนะ้วยที่ไจะไปอ่านดนะ้ก็เนี่แหละก็ต้องอ่านพระใจเบิดอ่านเนื้อ ไ, ไปอ่าน เทศของคูบาอาจารย์หรือไปถามไปคุยกับท่านอย่างเนี้ยพรเรื่องนี้ท่านต้องจะไม่พูดกับคนทั่วไปเพคนทั่วไปพูดไปก็ไร้บอยพูดไปเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้หรอกก็ไม่เชื่อหรอกอะไรว่าไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เกิดนะก็เชื่อเป็นตัวเรามันตลอดเวลาเหมือนกไม่ใช่เราก็ราเราไปทั่วคนไม่ได้ก็มันนั่นก็ส่วนหนึ่ง มันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เราอ่ะมันจะว่าไงเออนั่นแหละมันไม่ใช่เราพะมันไม่ใช่เราเราจะไปควบคุมไม่ได้อย่างฝนนี่เราไปควบคุมมันได้ป่ะอาก็นันมันลหข้าหน้ามาเกรณเเงตาพูดยาก กระทุกอย่างมันเป็นอนัตต า, าที่ไปพูดกับคนที่หลงมันเลยพูดไดยากเหมือนก็พูดคนตาบอดเนพะว่าสีนั้นสีนี้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้คนที่มีตาดีมันไม่ต้องพูดมันเห็นก็รู้เข้าใจกันหมด <Okay. S 1> จริงๆคนที่มีตาไม่ต้องมาอธิบายสีเขียวสีแดงเป็นยังไงแต่ถ้าค น, นตาบอดนี่พยายามอธิบายจมื่นตายมันก็ไม่เห็นอยู่ดีความแตกต่างระว่างสีแดงกับสีเขียวคนดวงดาว เราไปอธิบายให้คนตาบอดฟังมันไม่เป็นไปไม่ ไ, ไ, ได้มันต้องลืมตาให้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะแต่ทางร่างกายนี่ยังพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเ น, นี่ยร่างกายนี่มันไม่ใช่ลรวเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟเัยแคนั้นแล้วเรามันจะ็นเราตรงไหนแล้ ว, ล ว, ว, ลวตอนนั้นเราเราหายไปไหนแล้วล่ะ ไอ้ที่ตัวว่าเรานี่คือใครยังไม่รู้เลยใช่ไหมก็คิดว่าร่างกายเป็นผู้คิดอีกใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าร่างกายกระจายนี่อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมความคิดออกมาจากสมองอแต่ทางพุทธศาสนาบอกไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นใจ น, นี่เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่มาคอนโทรลอร์ สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆมันอยู่ในจิตใจเราะฮะาจิตธรรมวจิจหรือจิตจะไม่อยู่ในตัวเราคือหลวงพ่อเคยบอกว่า ม, มันอยู่ใ น, <อ>นข้างบนไอ้ใจนี่คือตัวรูกไงตัวที่ไม่มีร่างไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่ที่มีสัญญาสังขันวิญญาณนไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ อาศัยร่างกายนี้เป็นตัวรับข้อมูลไปให้ใจกินถ้ามีตามันก็จะมีภาพมันก็เห็นภา พ, ภาพมันก็ส่งภาพมาทางวิญญาณวิญญาณก็ส่งมาที่สัญญาดูว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเราจำได้หรือเปล่าว่าภาพนี้เคยเห็นหรือเปล่าถ้าเคยเห็นมันก็จะจำได้ว่าออกภาพนี้คือผู้หญิงผู้ชายอะไรเป็นต้นนี่คือสัญญา อัญญาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเห็นภาพที่ชอบก็สุขเวทนาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็ทุกขเวทนาพอเกิดสุขทุกเวทนาก็เกิดสังขารจงขึ้นมาสุขก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆทุกก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามร่างกายนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิด ส่วนใจนี่เหมือนเหมือนคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดคนละคนกันเข้าใจไหม <Okay. S 1> แล้วคนที่ควบคุมร่างกายนี้ควบคุมหุ่นนี้ก็ใช้วิทยาลัณวิทยุใช่ไหม <Okay. S 1> สั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังก็มีตู้คอนโซลใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้ก็ใช้สัญญาณวิทยุ <Okay. S 1> สัญญาณของใจกับร่างกายก็คือวิญ ญ, ญาณไงวิญ ญ, ญาณในขันห้า แล้วก็สังขารเป็นผู้สั่งวิญญาณนี่เป็นผู้รับข้อมูลเข้ามาเช่นตัวตัวหุ่นกู้ระเบิดก็มีกล้องมนะีไมโครโฟนนะก็จะได้เห็นภาพจะได้ยินเสียงแล้วก็ส่งมาที่ผู้ควบคุมที่ควบคุมก็จะมีจอทีวีให้เห็นภาพได้ยินเสียงในขณะที่หุ่นไปไปสำรวจอะไรดูอย่างนี่คือใจกับร่างกายเข้าใจไหม อะไรเกิดขึ้นกับกับหุ่นนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ควบคุมครับเช่นหุ่นระเบิดขึ้นมาไปกู้ระเบิดแล้วพา ม, ม, มันคนคุมไม่ได้ตายไปกับไม่ได้ตายไปกับหุ่ น, นนะใ่หใจก็เหมือนกันเวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อี ก, กอยู่อีกมิตินนะึภาษาชาวบ้านเราเรียวกว่าโลกทิพย์นะ ใจนี้เป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์นั่นกายนี้เป็นเป็นโลกธาตุเป็นธาตุอะไรอยู่ในโลกธกาตุโลกของดินน้ำลมไฟมี2โลกอยู่สองมิติ f u dimension <Yeah. S 1> อันนี้ dimension <Yeah>. หนึ่งธาตุสี่โลกธาตุนี้เป็นอ dimension หนึ่ง ก, ก็คือโลกทิพย์ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็ spiritual yeah. Yeah. เป็นทางวิญญาณไปทางจิตวิญญาณไปนั่นเนี่แหละตัวนี้แหละที่เวลาไม่มีร่างกายนี้ตัวนี้ก็เป็นสวรรค์เป็นนรกไปเป็นนิพพานไปหรือแม้ว่าจะกลับมาได้ร่างใหม่ได้ร่างของมนุษย์บ่างได้ร่างของเดรัฉานบ้างตัวนี้ไม่มีวันตายเแต่ว่ามันจะหยุดมีร่างกายหรือไม่มีแค่นั้นเอง ถ้ามันรู้ว่าการมีร่างกายเป็นทุกข์มันก็หยุดมีเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่าร น, นารู้ว่าการมาเกิดมันทุกข์ก็เลยไม่มีดีกว่าวิธีไม่มีก็ต้องหยุดความอยากเพราะความอยากเป็นตัวทําให้ดึงให้มามีร่างกายถ้ายังอยากดูก็ต้องมีตาใช่ไหมอยากฟังก็ต้องมีหูแล้วใครมีมีตามีหูอะก็ร่างกายห้าม ถ้ารู้ว่าเกิดแล้วแก่จเจ็บตายแล้วทุกอย่ามาเกิดดีกว่าก็ไม่เอาตัดความอยากเสียตัดความอยากดูอยากฟังอยากอะไรนี้ให้หมดไปมันก็ไม่ต้องมามีร่างกายมันก็อยู่ที่นิพพานตอนจริงมันไม่เป็นที่แล้วเพราะมันไม่มีรูปมีร่างมันจะไปบอกว่าที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ไม่ได้แต่คาว่านิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความอยากจิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ จิตที่ไม่มีการไปเกิดถ้าจิตยังมีความอยากอยู่มันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ระหว่างที่ไม่มีร่างกายมันก็จะไปอยากมันก็ไปอยากในโลกทิพย์แล้วแต่บุญหรือบาปถ้าบุญพาไปก็ไปอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในระดับที่มีแต่ความสุขถ้าเป็นบาป ก, ก็อยู่ในระดับที่มีแต่ความทุกข์ตัวนี้ไม่ตาย ตัวนี้อ่ะที่เป็นตัวที่ส่งนามะขันมาเชื่อมกับลูกะขันเข้าใจไหมเชื่อมด้วยวิญญาณวิญญาณเป็นตัวมาเชื่อมวิญญาณในขันห้านะวิญญาณนี่มีสองลันเข้าใจไหมอการนยัเราเรียกตัวจิตนี่แหละเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นตัวตัววิญญาณอันนี้อันนี้ที่ไปปฏิสนธิไปมีร่างกายหมือปฏิสนธิวิญญาณก็คือตัวจิตนี่แหละเนในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันใหม่ เรียมันเป็นวิญญาณพอมันมีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจตัวเดียวกันก็ยังตัวจิตตัวใจนี่ก็เป็นตัวเดียวกันแต่มีสองหน้าที่ตัวจิตก็คือตัวนามขันเรียกว่าตัวจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวเป็นตัวจิตแล้วอีกตัวนึ่งคือตัวรู้ตัวเดียวกันเพียงแต่มีสองหน้าที่ไง ตัวหนึงทำหน้าที่คิดปรุงแต่งรับรู้ข้อมูลอะไรต่างๆอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับรู้เป็นตัวรู้เวลาคุณนั่งสมาธิคุณอยู่ตัวจิตตัวรูปเวทตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสงบก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวนี้ตัวสักแต่ว่ารู้เนี่ยพรเจ้าบอกให้อยู่ตัวนี้อย่าไปอยู่ที่ตัวจิตร่ะ อยู่ที่ตัวรู้เห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆถ้าไปอยู่ที่ตัวจิตเดี๋ยวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาก็าเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญามันก็ไม่อยากมันก็ตัดได้มันหยุดได้มันรู้ว่าความอยากเป็นความทุกข์มันก็ไม่อยากอย่างว่าเวลามีตัวรู้มันจะรู้ว่ากําลังหลงหรือไม่หลงกําลังอยากหรือไม่อยากรู้คือทำหนะ้าที่รู้ว่าตอนเนี้ย ปัญหาเกิดเอยากไม่หรอไอ้ตัวรู้มันมันรู้แบบรู้รู้แบบปัญญาก็ได้รู้แบบหลงก็ได้ไงรู้แบบปัญญาได้รู้แบบหลงก็ได้คนสัญญารู้แบบหลงไยรู้ว่าตอนนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่แะอันนี้รู้รู้แบบหลงอแต่รู้แบบปัญญาก็คือรู้รู้แบบไม่อยากได้อะไรเพราะความอยากเป็นทุกข์ เราถึงเรามาศึกษาปัญญาเราจะได้รู้แบบปัญญาไม่ใช่รู้แบบหลงตอนนี้เรารู้แบบหลงรู้แบบอวิชางอวิชาจะหลอกเราว่าโอ้ยดีเว้ยลาบยศสรรเสริญดีก็อยากได้กันอันนี้รู้แบบหลงนี่พระเจ้าหลอกรู้แบบนี้มันทุกข์ต้องรู้แบบไม่ทุกข์ก็จะรู้ว่ามันเป็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงได้มาแล้วต้องเสียไปก็เลยรู้แบบไม่อยากให้รู้เฉย ให้สักแต่ว่ารู้เห็นเงินทองก็เฉยๆเพราเอาเอาตำแหน่งมาให้เป็นก็ไม่เอาเนี่ยรู้เฉยๆแต่ถ้ารู้แบบหลงพอเกายืนมาป้ขาก็คว้ามาักเลยเนี่ย ต, ตอนนี้รู้แบบหลงกันเนี่ยก็เลยทุ ก, กันแต่ไปคิดว่ามันสุขเพราะเวลาได้มันสุขไง แต่มันไม่เนาะไม่ได้คิดถึงตามเวลามันเสียเวลาเสียมันทุกเพราะไม่เห็นอนิจจ์ไงไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับมีขึ้นก็ต้องมีลงเนี่มั น, ม, นมันรู้เหมือนกันแต่มันรู้ไม่ตลอดเวลารู้ตอนที่สายไปแล้วรู้ตอนที่ไปมีเมียแล้วไปแต่งงานแล้ว รูปนี้ไม่มีดีกว่าเข้าใจมันไม่ทันปัญญาไม่ทันอย่างนี้เร็วปัญญามาช้ามากมารู้ทีหลังงั้นต้องรู้ไว้่วปหน้าก่อนรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าก็อยากได้อย่าไปอยากมีอย่ า, ย า, น, ยานาดสอนอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจริงๆก็เริ่มเอ พอ oh, เห็นอะไรอยากได้ปุ๊บขึ้นมาลืมนะลืมว่ามันเป็นทุกข์นะลืมว่ามันไม่เที่ยงนะมันไวมากนะความหลงเนี่ยมันไวก ว, กว่าความปัญญาเราเพราะเราไม่คิดทางปัญญาเรื่อยๆแต่ความหลงนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลาถึงต้องหยุดกันไงถึงต้องหยุดตัวความหลงเนี่ยนั่งสมาธิเพืหยุดตัวความหลงชั่วข่าว นั่งสมาธิหยุดไอ้สัญญาสังขารที่มันคิดไปในทางความหลงให้มันหยุดชัวว่วคราวแล้วพอออกมาก็ให้มันเริ่มคิดไปในทางปัญญาเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมใหม่โปรแกรมใจใหม่โปรแกรมใจใจตอนนี้ถูกโปรแกรมให้มองเห็นว่าทุกอย่างดีไปหมดนี้ต้องหยุดตัวนี้ก่อนหยุดแล้วพอออกมาก็มาโปรแกรมมันใหม่ให้มันคิดใหม่เหมือนกับเครื่องคอมนี่มันมีไวรัสเราก็เราก็ บูตมันเราก็ล้างมันใหม่ลงโปรแกรมใหม่ตอนนี้ใจของเรามันมีแต่ไวัยรักมีแต่ตัญหาความอยากตัวที่ทั้งปัญหาต่างๆให้กับเราตอนนี้เราก็เลยต้องลบมันออกเวลานั่งสมาธิก็เหมือนลบมันออกแล้วพอออกจากสมาธิมาก็เหมือนเหมือนลงโปรแกรมใหม่ก็ใช้อนิจจังทุกขั้งนับตาใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆ ไอ้พิจารณานิจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างเห็นอะไรก็จะปล่อยวางเห็นก็จะปล่อยวางถ้ามันเห็นว่าเป็นนิจังทุกครั้งอนัตตาตอนนี้มันเห็นเป็นนิจังสุขขังอัตตาใช่ไหมเห็นอะไรก็คิดว่าจะอยู่กับเราไป็ตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดนะครับ yeah. ตอนนี้มันเห็นอย่างนี้กันทุกคนมันถึงแย่งกันไงแย่งความทุกข์กัน แล้วก็มาว่นทุกข์กันทีหลังเวลาจากกันไปเนีเราต้องมามาโปรแกรมใหม่มาคิดใหม่ทิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่คิดในทางนี้ได้ต้องหยุดความคิดเดิมก่อนต้องเข้าไปในสมาธิก่อนหยุดมันก่อนแล้วพอมันออกมาพอมันจะเริ่มคิดเราก็เดิน ม, มันไปคิดในทางอ น, นิจจังทุกขังหน้าตา ไม่งั้นมืนถ้ายังไม่เข้าไปในสมาธิไม่หยุดมันมันก็ยังคิดไปในทางเดิมอยู่แต่ให้มันคิดในทางอันนี้จังมัไม่ไปหรอกเหมือนกับเวลาคุณขับรถจะยูเทิร์นยังทําังไงก่อนเราหยุดแล้วค่อยเรียวฮช่แล้วค่อยแลค่อยจะเรี้ยวไปทางปัญญาได้เราต้องหยุดทางที่มันไปทางอาวิชชาทางความหลงก่อนกําลังไปผิดทางหยุดหยุดปับ๊บแล้วก็เลี้ยวขวายูเทิร์นกลับแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วแต่ ย้อนกลับไปทางไปทางปัญญาตอนต้นให้เข้าไปในสมาธิเกื่อหยุดอวิชชาหยุดความหมลนชั่วข่าวแล้วพอออกมาปั๊บพอมันจะไปทางทางเดิมก็ดึงมันมาทางใหม่เสียพอมันจะไปคิดว่าเป็นสุขระบอกต้องเป็นทุกขนะ์พอเห็นแล้วว่าสุขก็เป็นทุกข์เห็นกาแฟว่าสุขก็ต้องว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วเราจะได้ไม่อยากให้อยากจะเหลืองนะ ในการปฏิบัติความจริงหลักง่ายๆมาโปรแกรมใจเราใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนความคิดของใจเราใหม่คิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่อยากตอนนี้เราคิดไปในทางที่อยากที่ทุกข์กันนี่เราหยุดมันไม่ได้เราไม่รู้จักวิธีหยุดเนี่ยเขาจะย่าวยิงสอนวิธีหยุดก็คือใช้สติหยุดมันต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดผูกมันไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมืนกับเรือถ้าไม่อยากจะให้มันไหลไปไหนต้องทอสมอหรือผูกไว้กับอะไรสักอย่างผูกไว้กับท่ามันก็ไม่ไปถ้าไม่มีสมอไม่มีเชือกผูกไว้กับท่าน้ำกระแสน้ำ ม, มันก็พัดไปไหลไปกระแสใจเราก็มีกระแสก็คือก็คือกระแสของความคิดเนี่ยมันคิดตลอดเวลาใช่มีเวลาไหนบ้างที่เราไม่หยุดคิดกันบ้างคิดไปเรื่อยสต่ยัยคิดไปในทางนิจังสุก ข, ขังหลัตากัน ก็เลยกลายเป็นทุกขังกันขึ้นมาเพราะมันไม่เป็นดังที่เราคิดกันเพราะมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันไม่ใช่นิจจังสุขังอนัตตาความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลักแค่มีแค่เนี้นะไปนั่งสมาธิไปหยุดใจเสแล้วพอหยุดได้แล้วก็สั่งให้มันคิดกันในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากได้เลย แล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่กลับมาเกิดง่ายๆแค่นี้สรุปมีแค่นี้เองที่เรียนถ้าใจไปเด็กกันมาทั้งหมดก็ลงที่อริยสัจ ส, สีน่นี่ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นใจรักเห็นนั้นจังทุกขงังเมื่ตาเพอเห็นนั้นจังทุกขังเนื่ตาก็หยุดความอยากาก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิ ด, ยกดหยุดความทุกข์ เนี่ยหัวใจกับโมตศาสนามีแค่นี้เองถ้าคนฉลาดพอได้ยินแค่นี้เขาก็บรรลุได้เราไม่ต้องไปท่องพระไตรปิฎกไปอ่านอะไรทั้งหมดพระเจ้าบอกคำสอนพระเจ้านี่เหมือนกับน้ำในทะเลน้ำในมาหาสมุทรเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำสอนมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแต่มีรสชาติอันเดียวคือทุกข์และวิธีดับทุกข์นี่ย น้ำในหมหาสมุทจะใหญ่โตมากมายขนาดไหนก็มีโรคเดียวคือความเข้มโรคของคําสอนพระเจ้าก็มีแค่นี้ดับทุกวิธีดับทุกเหตุของทุกและวิธีดับความทุกดับเหตุของทุกขทั้งนั้นเองทุกสมุทรทยนีโรนมาแค่มีแค่นี้คนที่มีปัญญาถ้าเข้าถึงจุดนี้แล้วเขาก็ ต้องถ้ามีปัญญาแล้วต้องมีกําลังปฏิบัติตามได้หยุดหยุดต้นเหตุของความทุกข์ให้ได้พิจารณาไตรลักให้ได้ต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นไตรลักมันถึงจะหยุดได้พิจนารกาการนี่ไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันไม่อยากใช้ให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเที่ยงไม่มีความอยากให้มันเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์กันเลย มันจะไปก็ไปมันจะดับก็ดับพอสมควรแล้วนะสนำนักเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเดี๋ยวจะให้พรก่อนเลือใครทำบุญแล้วอยากจะไปก็ได้ ต้องมีคนถามมันสิงก็ออกมาถ้าปกติก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเหมือนเอาเอาเรื่องแอสโทรฟิสติกไปพูดกับเด็จกองไก่นี่ช่วยเขาฟังเรื่องเรือ่องส่วนใหญ่ก็เลยต้องสอนแบบตามขั้นตอนไปก่อนท า, านศีลภาวนาไปมีศีลภาวนาดีแือมีละอ่นละจิตสงบแล้ทำแบบปฏิบัติได้เป็นนันธรรด มันก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งทําให้จิตสงบได้ในระดับหนึ่งเพราะเราเริ่มมีเริ่มมีสงบปุ๊เราจะเริ่มมีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้อะไรต่อไปเราก็จะปล่อยวางความสุขทางด้านอื่นไปได้แล้วก็ ใช้ความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรดีกว่าเพราะต่อไปร่างกายของเราก็เราก็จะใช้มันไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรายังต้องอาศัยร่างกายให้ความสุขกับเราพออาศายัยไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทำเนียแล้วหมายความถือว่าเราต้องมาสมัครอย่างไร ก็ต้องมาคุยกันมาขออนุญาตเพราะข้าวบนนี้เป็นที่ปฏิบัติของพระแต่ถ้าเรามีที่ว่างถ้าเราอยากจะมาลองปฏิบัติก็จะให้ลองมาปฏิบัติเพื่อมาถือถึงแปดใช่ครับก็มาปฏิบัติเดินจงกรมนัื่องสมาธิเป็นหลักแล้วก็ถือถึงแปดเหมือนไปชูดงในป่าไม่มีอะไรมไม่เพื่อนี่งานของพระคามาปฏิบัติอ่า เราอยู่บ้านแล้วก็ทําด้เหมือนกั น, นได้แต่บรรยากาศมัม<ค>นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างวันเนี้ฝนตกคนที่อยู่ในแค่ในป่าก็ทําอะไรไม่ได้นั่งอยู่เนี้ยนั่งอย่างเดียวไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปก็ต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนไม่ขึ้นมาเดินหายเมือก็นั่งต่อมันเป็นมันต้อวันแล้วผ่านสถานที่เอาลงไป ก็มีสองทางถ้าคุณมีรถคนจะขับรถไปซื้อกีนเองก็ได้ไปที่วัดก็เป็นลูกศิษย์แล้วไปช่วยผ้าหิว้วไปบิณฑบาดช่วยหิ้วของพระท่านก็แบ่งอาหารให้เรากินหรือเราไปสั่งอาหารซื้ออาหารแล้วหน้าวัดก็มีร้านอาหารมีร้านค้าอะไรก็สั่งได้กินได้ก็กินให้กินมื้อเดียวแต่ห้ามเอาไม่ให้อ า, อาหารขึ้นมาข้างบน ฝั่งท่านแล้วว่าพอไปแบบที่บานแล้วมันดีจริงครับเมื่อก่อนพอต้องวนตอนนี้พอนั่งสมาธิตอ น, นอนไม่ต้องกิยานหลัอโดยได้สนิทดูไม่ต้องเวลาใส่ยงยาได้มีประโยชน์สติดีกว่ายาครับมีสติอย่ควางเคียบได้มันก็หลับได้ต่ น, นี่ผมเนี่ย <c oughs> ผ ม, ม, มเล่นื่อก็มีทั้งหรายเล่นแต่ว่าผ ม, มไม่ได้มีเยอะแล้วก็ จะเล่นต้นๆเราเข้าไปหาที่ไหนในอินเทอร์เน็ตนเข้าไปออนนอเท้็ตอ่ามีทุกเล่มเลยพระสุชาต .com เข้าไปแล้วมีดาวน์โหลดมาอ่านดาวน์โหลดใส่มาอ่านในมือถือก็ได้นะครับริงย้แอปพลิเคชันตรงนี้เสร็จนะครับก็จะมีดาวน์โหลดดูได้ทั้งหมดเลยก็ีด้เลยนี้ทุกอย่างนี้ได้คมดดูได้ฟังได้ เท่เ ท, ที่อัดไว้นี่จะเก็บไว้หมดเลยเปิดฟังได้ของเก่าหนังสือก็มาจากที่เทพเนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เขียนนะาจะมไม่ช้าหรอกไม่ช้าหรอกมาถึงว่าท่านอาจารย์สอนมาหลายปีแล้วก็อาจาจะมามาอยู่วัดเมื่อเดืนอนปีสองเจ็ดสองเจ็ดหร แต่มาสอนเป็นแบบเป็นทางการจริงๆประมาณปีสามเก้าสี่ศู 39, 40, นยะมี่นประมาณ20ปีประมาณ20ป่ปีนะที่ที่เรทำหนังสือแจกมาเนี่ยประมาณ20ปีแต่ก่อนหน้านั้นก็สอนแบบใครมาหาก็คุยกันไปถามตอบปัญหากันไปเป็นคณะเล็กๆกลุ่มเล็กๆคนไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นประโยชน์มากใช่ไม่มีอะไรดีเท่าการทองะเจ้ารถแข่งทำชนะรถทั้งตัวความยินดีในทาชนะการยินดีทั้งตัวขอให้เรามายินดีในทำกันดีกว่าเพอเราจะได้รถแข่งทำที่ชนะรถทั้งตัวรถแข่งทำก็คือความสงกที่เป็นความสุข เหนอก ว, กว่าความสุขทัานครัวเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีไม่มีวันสูงไม่มีวันเสือ่องถ้าเราลองสร้างได้แล้วเราสามารถรักษามันได้ตลอดเวลาแล้วไม่มีความทุกข์ตามม า, าดับความทุกขได้เดี๋ยวจะลองกดโอกาสให้คนทางบ้านเขาถามบ้าง น, นะถ้อาอยานั่งฟังก็ได้น ะ, ะถ้าอยากจะกลับก็ได้ไม่มีข้อ ไม่มีกดระเบียบอะไรอะเอาเท่านี้ก่อนน ะ, ะ, ออออะนต อ, อ, อ, ะอตนตนี้ไม่ได้อยู่กับแม่คัเป็นเป็นงเา่เนอาแล้วเรกแต่มันก็ตัดันไม่ได้บแล้วคนอื่นนรไม่ห่วงนทะ <c oughs> เนแม่านัาสแม่เขากับคนอื่นมันร่างกายเหมือนกันหรือเปล่ามีนั่งกายเหมือนกันหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขาอยู่ได้หรือเปล่า แม่เราไม่มีตอนนี้แม่เราเขาอยู่ได้หรือเปล่าได้ง่ายสุดแล้วเราไปห่วงยทำไมพอตายเออคนเดียวก็เหมือนกันไม่ใช่ไหมคนที่เราไม่ห่วงก็เหมือนกันไม่ใช่ไหมทไมไม่ดูเขาเหมือนว่าเขาเป็นเหมือนคนอื่นแล้วที่เราดูนี้เราไม่ได้ดูแม่ก็จะไม่ให้ดูที่ร่างกายเพราะที่เราห่วงตอนนี้เราไปห่วงร่างกายเขา ทำไมร่างกายของคนอื่นเราไม่ห่วงร่างกายคนอื่นกับร่างกายของแม่เรามันต่างกันตรงไหมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แล้วตัวแม่นี่ไม่ได้ตายแตกับร่างกายไปห่วงเลยถ้าจะห่วงก็ห่วงว่าท่านจะไปดีหรือไม่ดีนี่จะไปดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ท่านทํา ก็ดึนท่านไปทําบุญเสิดึงท่านไปวัดเสิถ้าจะห่วงห่วงแบบให้มันถูกอ่าอ่าเมื่อทําแล้วก็จบแล้วจะมีต้องห่วงอะไรกับอ่าแล้จะห่วงอะไรกับร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นใช่ไหมร่างกายคนอื่นเราไม่ห่วงไม่ห่วงร่างกายของแม่เราทำไมมันก็ร่างกายอันเดียวกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกันอาการสามจุดสองเหมกันอันนี้จังทุกครั้งน้ำตาเหมือนกันหมดต่างกันที่ใจอันนี้ต่างกันที่เราต่างกันนี่ต่างกันที่ใจใจใจไม่ตายแล้วไปห่วงเลงก็ห่วงตรงที่ว่ามันยังเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดให้ที่พระเจ้าห่วงพวกเราไม่ได้ห่วงที่ร่างกายท่านห่วงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราใช่ไหมที่ท่านแสดงทำที่ท่านตั้งาจให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ให้ไม่ได้มาอยุดร่างกายของเราไม่ให้แต่ไม่ให้เก่งไม่ให้ตายเห็นตัวที่เป็นเราที่เป็นสาระของเรามันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นใจไอตัวนี้นะที่เราเราไปกับมันมันจะไปที่ไหนลนะ่ะไปตามบุญหรือไปตามบาปหรือไปนิพพานนี้ก็มีแค่นี้ <c oughs> อย่างนี้ก็หายห่วงเลยใช่ไหม ห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายก็อยู่กับกายกาก็ตายเหมือนกันไม่ใช่เนีงไงไน่ยไปเฝ้าดูแกตั้งแต่เช้าถึงเย็นกก็ตายเหมือนกันใช่ไหมไม่ทาอะไรได้ทำ อ, อย่างเดียวคือให้แกปฏิบัติทําให้มากขึ้นไปใไห้ลเลยเวลาแจกกันก็คุยเรื่องธรรมะไปอย่าไ่คุยเรื่องอะไรให้เสีเยเวลา อย่าไปสอนใครก็แล้วกันอดอย่าอย่าไปสั่งอย่าไปสอนพูดแบบเป็นอุบายได้แม่นั่งสมาธินี่ดีนะหนูนั่งก็สบายใจแล้วเลแม่นั่งมาปุ๋ยแม่นั่งจะที่สาวเนี่ยเรไม่ห่วงอะไรน่าจะห่วงเรามากกว่า เนี่ยกิเลมันหลอกไ อ, ไอ้ห่วงไอไอสิ่งที่ควรจะห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเลแล้วไอในสิ่งที่ไม่ควรห่วงอ่าออยใช้ปัญญาวิาเคราะห์ดูสิควรจะห่วงใครมากแต่กัน พยายามทาไปเถอะอันนี้เป็นวิธีกำจัดสิเล่ไม่สบา ย, ยนะครไม่ต้องเ็บที่นอนไม่มีที่นอนเลยเจ็บพ <c oughs> ืนเดียวต้องด้นอ่าใช่เหนปลอกน้อนเจริอะไรให้ยิ่งมือยิ่งก้นหัวยิงสบายอ่ะอ่าไม่ต้องหวีผมไม่ต้องใช้ <c oughs> ถ้าอยากจะดูว่าเจริญก้าวหน้าในทางธรรมมากน้อยก็ดูที่ผมเนี่ยผมยิ่งสั้นยิ่งเจริญเนยยิ่งยาวยิ่งยิ่งยิ่งเสื่อมยิ่งถอยเอามหลองถามถามทางบ้านคบนถามจากทาง a c e b o o k l ลน e นะครับเขบถามแรกจากอาจารย์เจริญนะครับต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณ เมตตาพระอาจารย์อธิบายขยายความด้วยขอรับคือมันไม่มีคารรู้เสึกรับรู้ไม่มีขันไม่มีนา ม, มขันไม่มีเวตนาสัญญาสังขาร อ, อย่างมันจึงไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ ม, ม, มีมันเป็นเชียงการดินน้ำลมไฟที่ยังมีการเจริญเติบโตได้แล้วก็เรียกว่าชีวิตแต่ชีวิตของดินน้ําลงไฟเหมือนกับร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้เพียงแต่ว่าร่างกายมีจิตมา มายึดมาติดมาครอบความถ้าไปทำร้ายร่างกายจิตมันก็จะโกรธจะแข็งขึ้นมาแล้วมันก็จะฆ่าชยาบาดกันจองร่างจองผางกันแต่ต้นไม้มันไม่มีจิตและไม่มีไม่มีเจ้าของเวลาใครไปฟันต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีใครมาตามนอกจากไปฟันต้นไม้ในป่าทางหัว น, นี้ก็มีเจ้าของก็โ ด, <laughs> โดนจับได้เหมือนกัน คำถามกระคุณสุด ข, ขุมนะครับผมกลับไปคิดทบทวนตัวเองว่าเวลามีความคิดคำพูดการกระทำที่มันทำให้กระทบใจเรามันมักจะทำให้เราเกิดรักโลกโกรธหลงขึ้นมาพระอาจารย์มีวิธีช่วยแนะนำไม่ให้ใจกระทบจากความคิดคำพูดการกระทําไหมครับก็หัดทาใจให้เฉยสงเบิขา ถ้ามีโอบะขามันก็จะเฉยตอนนี้เราไม่มีโอเบะขากันก็เลยต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันหรือถ้าจะใช้วิธีหนึง่งก็ใช้ปัญญาเวลาอะไรมากระทบก็ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันไหนง่ายกว่ากันก็ทำดูถ้าคุณใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาถ้าคุณใช้ปัญญาไม่ได้คุณก็ต้องใช้สติคอยควบคุมใจให้ให้ให้นิ่งให้สงบก็มีสองทางถ้า ทางสติมันง่ายกว่าพุดโทรคำเดียวทางปัญญาต้องเร็วต้องทันมันพอใครด่าปั๊บบอกเอ้ยอันนี้จังทุกขงะนะังแล้วนัตาแต่ถ้าไม่ทันก็พูดโทรไปก่อนก็ยังดีพอใครด่าจะโกรธแล้วก็พุดโทพุดโทรพุโธไปให้ลืมเรื่องที่เขาพูดไป่พอลืมแล้วมันก็หายโกรธพอาจารย์ครับผมได้ฟังธรรมนะครับของ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าในสมัยก่อ น, นในหลวงท่านลงงานไปทํางานภาคใต้เนี่ยท่านมีคนถามว่าท่านไม่กลัวเหร อ, อไม่กลัวเหรอที่จะโดนระเบิดอะไรเงี้ยครในหลวงบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตและในอดีตไม่กลัวเหรอว่ามันมีเรื่องต่างๆเกิดมากมายท่านบอกว่าท่านไม่กลัวหล่ะเราสนใจแต่การทํางานณปัจจุบันมาก่แน่นหลอนในหลวงมีมีสติมากจิตอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาด้วย รู้ว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอันนี้แหละที่หลวงตาต้องพูดว่ารู้รู้เท่าอดีตรู้ทางอนาคตปัจจุบันก็ปล่อยวางรู้เท่าทันหมดเลยอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทางปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะปัจจุบันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา พูปั๊บายไปแล้วด่าปั๊บหายไปแล้วไปยึดมันนาทําไมเนีถ้าเขาด่าปุ๊เราก็ถ่ายไปแล้วเราไม่คิดถึงมันมันก็จบแล้วเราไปดินมันกลับมาเองเอาอดีตกลับมาแล้วเนี่ยถ้ามีสติเยอะๆถ้าสติปัญญาเยอะๆมันจะอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยเรามจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันก็เลยสั่งแต่ว่ารู้เฉยๆไปนี่่าเนอะ คำถามข้อต่อไปจากคุณริวนะครับเราจะแก้ทุกเวทนาได้อย่างไรครับเมื่อมันเกิดขึ้นมามากๆจนร่างกายเราคนไม่ไหวปวดมากๆอยากทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลที่ปวนมากๆไม่ใช่ร่างกายปวดมากๆคือใจใจคือใจไม่อยากให้ร่างกายปวดอยากให้ร่างกายหายปวดมันก็เลยทําให้เกิดทางทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนทนไม่ได้ อัที่ทนไม่ได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้หยุดความอยากที่เสียบอกว่าความทุกข์ทางน่างกายเราห้ามไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปพอเราไม่มีความอยากให้มันหายแล้วเราจะไม่ทรมานเราจะอยู่กับมันได้คําถามจะคุณเอกกับคุณนะครับเมื่อปฏิบัติอาณาปนสติแล้วเกิดตัวรู้ขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติ ต่อไปอย่างไรเพื่อจเจริญวิปัสนาอ๋อตอนนี้ยังไม่ต้องวิปัสนาตอนนี้รักษาตัวรู้ให้อยู่ไปนานๆให้รู้ไปเฉยๆไปนานๆออกมาก็พยายามประครับประคองให้อยู่กับตัวรู้ไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าเราจะชานาญในการรักษาตัวรู้นี้แล้วเราค่อยมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปแต่ต้องพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิขณะที่เรามาทํางานทําการทาอะไรนี่เรา กิจนาทางปัญญาได้ตลอดเวลาคําถามจะคุณ อ, อนงนุษย์การภาวนาจะาเดินจงกรมอย่างเดียวโดยไม่นั่งได้ไหมเจ้าคะเนื่องจากผูกจริตกับการเดินได้แต่ถ้าอยากจะให้จิตรวมก็ต้องนั่งถ้าจิตไม่นั่งนิ่งเฉยๆร่างกายไม่นิ่งใจจิตจะนิ่งไม่ได้เพราะจิตเป็นตัวควบคุมร่างกายถ้าอยากจะให้ร่างกายรวมเป็นหนึ่งนี่ต้องนั่ง แต่ถ้าเดินก็จะได้ได้สมาธิหรือได้ปัญญาได้สติหรือได้ปัญญาคำถามจากคุณพิสานะครับในอดีต ท, ทำกรรมไว้มากมายได้ระลึกถึงและกลัวในผลของบาปกรรมนั้นมากจะวางใจอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรคะความจริงไม่ควรไปกลัวบาปกรรมที่เราทำแนละ้วควรจะกลัวบาปกรรมที่เราไม่ทาดีกว่า เพราะที่ทําไปแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วมันต้องส่งผลแล้วไอ้ที่น่ากลัวก็คือบาปกรรมที่เราจะทําใหม่นี่นั้นท่านบอกให้กลัวบาปกรรมที่ยังเรายังไม่ได้ทําอย่าไปทํามันแต่ที่ทําแล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วเราทําได้อย่างเดียวก็คือทําใจเตรียมรับกับวิบากที่เกิดขึ้นท่านค่ะคำถามจากคุณพัชพรออ น, นะครับเลี้ยงปลาในอ่างน้ําลูกสาวตักลูกน้ําไม่อ่างอาบน้ํา ไปให้ปลากินจะบาปไหมคะห้ะามเขาบอกว่ามันจะโตเป็นยุง ม, มากัดหนูนั่นแหละก็ฆ่าเขาแล้วกอเองไม่ได้ฆ่าแต่สั่งให้คนอื่นเขาฆ่าสั่งให้ปลามันฆ่าทําเองก็ดีให้คนอื่นก็ทําให้ก็ดีก็บาปเหมือนกันคาถามจากคุณอ่าครับคำถามจากคุณริวนะครับ เราจะให้จิตตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาได้ตลอดโดยจิตไม่คิดนอกได้อย่างไรครับผมกำหนดพุทโทจิตรวมได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็แวบไปและก็ดึงกลับมาเป็นแบบนี้ตลอดครับอยากจะท้ามพ้นตรงนี้เสียทีก็ต้องฝึกพุทโทให้มากๆในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งพุทธโทไปทั้งวันไม่ต้องผูกไว้กับลมเวลาไม่ได้นั่งนีพุทธโทอย่างเดียว ทำงานไปพุโทโธไปถ้าใช้ถ้ า, ถ, า, ถ, า, ถ, าถ้าต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็หยุดพุดโทโธถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธควบคุมความคิดอื่นไว้ถ้าไม่มีความคิดอื่นรู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้จิตรู้เฉยเฉยไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้คิดถ้าคิดก็ต้องใช้พุโทโธอยุดมนแล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานจะสงบได้นาน คำถามจะคุณคนพิสิทธ์นะครับการที่เรารู้ลมแล้วเห็นเครื่องในกําลังทํางานกะ ต, ตุกยุบคองให้มองมีแค่ตัวรู้เฉยๆใช่ไหมครับการที่เห็นแบบนี้เรามาสูกทางของการปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าดูลมให้รู้ลมอย่างเดียวไม่ไปรู้อย่างอื่นแต่ต้องการใช้ลมนี้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปรู้อย่างอื่นนี่มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่อยู่มันไม่อยู่เป็นเรื่องเดียวแล้ มันอยู่ไปอยู่กับหลายเรื่องถ้าเขาอยู่กับเรื่องเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวเวลาเห็นสัตว์ถูกทำร้ายจะรู้สึกคิดมากและเครียดขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าเวทนาทางตาทุกเวทนาทางตาตัวเองก็ททำร้ายสัตว์ตัวเองก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์พออยากไม่อยากมองเห็นภาพเหล่านั้น วิธีก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ไปุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องของกรรมของบุญของอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งมันได้เอ็มก็มีสองทางก็อย่าไปดูไปนนะหลับตาใชหมหันหน้าไปทางอื่นหรือ2ถ้าต้องดูก็ให้ทําใจใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอะ ภาพที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันหายไปได้ถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะเครียดถ้าเราไม่มีความอยากเราดูเฉยๆเราก็จะไม่เครียดต้อามากแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราเพราะความเครียดของเราเกิดจากความอยากไม่ใช่เกิดจาก่าพภาพเป็นเพียงตัวมาจุดประเด็นจุดจุดความอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความอยาก ตอนให้ผ้ามันโหดร้ายทารุณขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราเครียดคําถามข้อต่อไปจากคุณคุณฟุกนะครับถ้ามีต้นโพ ท, ที่ไม่ได้ปลูกเองโตขึ้นมาเราดึงทิ้งได้ไหมครับหรือต้องนําไปปลูกไว้ที่วัดแล้วถ้าผมเอาไปปลูกที่วัดวัดจะอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการทําอะไรถ้าต้องการไปปลูกก็เอาไปหาที่ปลูกครับ ถ้าไม่ต้องการก็โยนทิ้งไปต้นโพลก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเช่นเดียว่าเราผูกติดไว้กับการตัดรู้ของพระเจ้าเราก็เลยให้ความเคารพต้นโพเพื่อให้เราได้ถึงพระพุทธเจ้าแะได้ถึงการตัดชลูแค่ น, นี้ถ้าเราต้องการจะใช้ต้นโพเป็นการเจริญพุทธทางลิสติกก็ได้แล้วก็ไปปลูกจริงๆปลูกในบ้านก็ได้เพียงแต่ว่าคนเราต้นมันใหญ่เกินไปไงต้นโพนี่มันปลูกแล้วมันใหญ่ ต้องมีที่เยอะแล้วพอดีธรรมเนีย ม, ยมก็คือมักจะปลูกกันในวัดก็เลยไม่กล้าปลูกที่บ้านกันแต่ความจริงเป็นต้นมงคลเนี่ยทำไม่้ปลูกกันใช่ไหมไปปลูกที่วัดว่าเขาก็ไม่มีที่ปลูกต้องไปปลูกวัดที่เขามีที่วันนี้คาถามวันแล้วใช่ไหมครับเอา่เอา คำถามเลยมึงคำถามจากคุณเกรสทิธิในโลกุตระยังมีอยู่ไหมคะโุตร ะ, ละโลต ท, ทิิอะไรทิททิทิินโลกุตระแปละว่าอะไร <laughs> ไม่รู้เียคำถามมาใหม่เลยตัวใหม่เสมอว่ะวิเชติธิวิสามมาธิฐิ ในโล ก, กุตละนี้มีแต่สัมมาทิฏฐิคือการเห็นว่านิจังทุกขังอนัตตา <S <S เห็นว่าลิยะสาักจริงที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการเห็นว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตานี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้อยู่ในโลกียะอยู่ในโลกที่ยังมีการเวียนร่ายตายเกิดอยู <S <S ถ้าอยู่ในโล ก, กุตละโลกที่ไม่มีการเวียนร่ายตายเกิดจะเห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตา หมดแล้วใช่ไหมครับพ่อจ่ครับเดี๋ยวก็ได้ทางนี้ทางที่นี่ใครอยากจะคุยอยากจะถามก็ได้ ควจะดูลมหายใจต่อไปอ ย, ยังยังยังไม่สงบเต็มที่มันมีสีขัน้นเงเรียกฌานสีฌานหนึ่งสสาสพอเริ่มนั่งเริ่มดูลมมันก็เริ่มสงบเริ่มสบายแล้วแต่มันสบายมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะสบายเต็มร้อยก็เมื่อมันเข้าไปสู่อัปปนาเน้นถ้ายังดูลมได้ดูลมต่อไปอย่าหยุดประคับประคองจิตให้ด้วยสติให้มันอย่าไปคิดปรุงแต่ง อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรมันจะไม่มันจะไม่คิดไม่ปรุงมันจะไม่อะไรมันจะเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้แล้ก็ไปตอนนั้นก็ใช้สติประทับประทองให้มันสักแต่ว่ารู้ไปให้นานที่สุดจนกว่ามันจะถอยออกมา ใช่ครับเราตอนนั้นเราจะสังป да pues, ั่นยังไงก็ให้มันน SO ิ่งไปเรื่อยๆไงในความนิ่งมันเยอะันกว่าฐานเราไม่ไหวเราอ่าอ่าก้คขามนะครับอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน คือจะแผ่ให้ผู้ล่วงแล้วไปแล้วใช่ไหมห <า S 1> ถ้าผู้ล่วงแล้วนี่ต้องทําบุญอุทิศไป ถ, ถ้าส่วนอ่นนะฮะส่วนอื่นจะจะตัวนึงแผ่ไปแผ่ไม่ได้ศีลแผ่ไปไม่ได้สมาธิแผ่ไม่ได้ไไดไไดปัญญาแผ่ไม่ได้เพราะมันมันเป็นของเฉพาะตรงนี้ก็คิดึงมูลเก่าก็ได้แล้วก็แผ่ไปก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอาหารเก่ากไปแล้ว ไม่เหมือนกนอ า, ารหายใหม่ที่เราถ้าเรายังมีความอิ่มใจสุขใจแล้วก็แผ่ความอิ่มใจสุขใจนั่นไปก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่มีกันเนี่ยนั่นจะว่าจะแผ่ความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ได้ก็แผ่ก็ได้เหมือนกันอเองแต่ไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้นะเพราะว่าตามสูตรเขาว่าต้องไปทําบุญทําทานแล้วก็แผ่ไป เพราะว่ามันมันแน่นอนค่ะเพราะเวลาเราทําบุญป้อมเราเลยจะมีความสุขใจอย่ามใจสวยขึ้นแล้วก็แผ่ ส, ส่วนนั้นไปใช้กุศลโรบายก็ได้ครับอาจารย์เห็นเราว่าหยอดกระปุกวมาละ20บาท30บาทก็ไม่แน่เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมันยังเป็นของเราอยู่มันยังเดี๋ยวเกิดวันดีคืนดีมันเขียวกาแฟขึ้นมามันอยขอยืมก่อนเย มันก็ได้แต่มันคิดว่ามันไม่เหมือนจริงอ่ะมันมันยังให้เลยมันมันขาดไปเลยมันจบไปเลยไม่ใช่ข้าวแต่กินจบหรือว่าผัดอะไรเี้ยแต่อยากจะแถเนี้ยมันจะเกินไปไม่เกินเนี่ยเพียงแต่มันมันความรู้สึกมันน้อยไงมันน้อยความรู้สึกที่ได้จากการเลียงกินจบมันไม่เท่ากับการทำบุญเลี้ยงพระอะครทำบุญเลี้ยงพระนี่มันมีความรู้สึกสุขมากกว่าั้นก็ได้แต่มันได้น้อยแถได้ ถ้าพู้ความจริงแล้วความจริงบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิก็น่าจะแผ่ได้บุญที่เกิดจากปัญญานี้ก็แผ่ได้เพียงแต่เรามีหรือเปล่านั่มันยากกว่าการที่จะได้บุญจากการที่เราไปทําทานมากกว่าดังั้นสำหรับคนทั่วไปที่ภาวนาไม่เป็นรักษาศีลไม่ได้นี่ของพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้จะใช้ไดก้ก็คือเวลาไปทําบุญนะพอทําบุญป้ามันก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ก็แผ่ไปไม่ต้องกังวลมากหรอกคนที่เข้าไปแล้วกังวลกับเราดีกว่า<ม>ถ่ายกุศลง่ายกับเราดีกว่าทําใจเราให้สงบให้มีความสุข ด, ดีกว่ามาอ่ะถามต่อคําถามจ้าคุณสิริวัณ น, นะครับการฝึกการทานอาหารโดยนับคําข้าวที่ทานเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่ง ใช่หรือเปล่าคะแต่ยากจังคะ่ะพระอาจารย์ลองฝึกแล้วยากมากคะ่ะขอความไม่ตาพระอาจารย์ไม่หรอกนับคำข้าวก็เพื่อที่จะได้กำหนดว่าไม่ให้รับประทานมากเกินไปไม่ได้เป็นการฝึกสติอั น, นเรียกฝึกปัญญามากกว่าว่ากำลังกินมากเกินไปแล้วนะพอถึงถึงคำที่ห้าที่หก็ควรหยุดได้แล้วนะอะไรผ ม, ผมว่าที่พระอาจารย์นับยมไถ่บาทยากกว่าครับ ออยากนะยากฝาก็ต้องเดินด้วยหนอยอยึ่งดแล้วนับทุกวันยังท่างมันติดกันิสัยนะแต่นี้เกือบสองร้อยวันธรรมดาร้อยกว่าเกือบสองร้อยเมื่อวานนี้สองร้อยกว่าวันอาทิตย์คนมาเยอะก็ <digamos> <c oughs> คนใส่ไปก็นับไปนับไปในใจเราก็นับไปนี่ยุ่ยแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็เผลอเหมือนกันบางทีใครมาทักมาคุยมาถามอะไรหน่อยก็ตอบปั๊บจำไม่ได้นะ นับไปถึงที่ไหนนะอาจายนับเพื่ออะไรจะได้ไไ<อ>รู้สติปีนีเก็บข้อมูลออเป็นสติปีนี่เก็บข้อมูลไปก็เป็นมันก็เป็นสมาธิในตัวเนี่ยก็เราไม่ไ ม, ไม่ไปคิดเรื่องอะไรนะมันก็อยู่กับเรื่องนับอย่างเดียวนับคนนับไปนะมันต้องใช้สติมากมันจะนับได้ไนหะมถาม้ามันติดเป็นนิาสัยมาตั้งแต่เริ่มบินสมบัตินะเพราะอัหลวงตาเนี่ยก็เคยนับก็เลยเห็นท่านนับก็เลยนับตาม สมัยแรกๆที่ท่านบินธบาบางทีคนเยอะๆท่านก็ น, นับวันนี้สามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าแล้วก็เลยเออดีเป็นการที่ก็ลองนับดูไปนับก็ต้องใช้สติพอสงวรคำถามจากคุณวิไลวันนะครับเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเราพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราและสิ่งภายนอกซึ่งมากระทบภายใ้ เนื่อไขและเวลาในขณะนั้นซึ่งสุดท้ายคิดว่าได้คำตอบที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตัวเราแต่การตัดสินใจนั้นอาจทำให้คนที่เกี่ยวข้องไม่พอใจมองว่าเรายึดตัวเองเป็นตัวตั้งมากไปทางที่เขามองว่าถ้าเลือกอีกทางเลือกหนึ่งจะดีจะมีประโยชน์อีกมาก ถ้าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เราควรจะมีวิธีคิดหรือหัดวางใจตัวเองอย่างไรเจ้าคะเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดู ว, ว่าอันไหนสําคัญกว่ากันถ้าความรู้สึกของคนอื่นสําคัญกว่าเราก็ต้องไปทางนั้นถ้าเรื่องของการงานสําคัญกว่าเราก็ไปทางนั้นมันเลือกได้เนี่ยอันนี้มันแล้วแต่เราจะให้ความสําคัญอะไรบางทีเราบอกไม่เป็นไรบริษัทเจ๊งก็เจ๊งมันแต่คนรักบริษัทเราชอบบริษัทเรา แล้วก็ยอมยอมยอมเจ๊งแต่ให้ไม่ให้เสียชื่อให้คนเข้าจําชื่อบริษัทเราไปว่าเป็นบริษัทที่ดีบริษัทซื่อสัตย์นี้หรือเราจะเอาไม่สนใจความรู้สึกของคนเราจะเอาบริษัทให้เจริญก็เราก็ทําไปตามความเจริญของบริษัทใครจดาใครจะสาบก็เรื่องของเขามันก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกความสําคัญอยู่ที่ตรงไหนคําถามจะคุณทรงบุตร ความอยากทั่วไปกับฉันทะที่ความที่เป็นความป่ารถนาในข้อที่หนึ่งของอิทธิบาท4ต่างกันอย่างไรครับคือความอยากมีสองฝ่ายความอยากที่สร้างความทุกข์กับความอยากที่สร้างความสุขความอยากที่สร้างความสุขเราเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความอยากในธรรมอยากทําบุญทําทานรักษาศีลอยากภาวนาอยากทําความดีต่างๆนะครับ อย่นี้เราเรียกว่าเป็นฉันทะไม่ได้เป็นกิเลสปัญหาปัญหานี่มีความเป็นความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์เช่นกามาัญหาความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ราบยศสรรเสริญเรียกว่าเป็นปัญหาเป็นความอยากที่ไม่ดีเพราะทําให้เกิดความทุกข์ใจแต่ความอยากเสียสละอยากจะ สละลาบยศสารสงสุขไปอยากจะไปนั่งสมาธิไปภาวนาไปบวชนี่ก็เรียกว่าฉันทะเป็นความอยาก ใ, ในทางที่ดีคำถามจะคุณวาสนาการที่เราช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์แต่ภายหลังเขากลับมาย้อนกลับให้เราทุกข์เสียเองเราจะคิดอย่างไรดีเพื่อที่เราจะคลายทุกข์ลงได้บ้างครับนี่ว่าเหมือนการใส่บาตรก็แล้วกัน เราใส่บาตเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากพระผู้ที่เราใส่ <qualité> เพราะงั้นเขาจะมาทําอะไรกับเราทีหลังเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราทําดีกับเขาแล้วเขาต้องมาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเสียใจเงั so ้นอย่าไปคิดอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับที่ว่าเราทํานี้เราทําแล้วเรามีความสุขเราดีก็พอแล้วเราได้ผลแล้วจากการทำความดีของเรา ส่วนการทำความไม่ดีของเขาก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขามาทำกับเราก็ถือว่าเป็นวิบากของเราไปเราอาจจะเคยไปทำไม่ดีกับใครมาในอดีตตอนนี้เราเลยต้องมารับวิบากนั้นก็ให้คิดอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจคำถามจ้คุณศรีเมือง ภาสุกติปันโนเมื่อละสังขารแล้วเหตุใดร่างกายท่านถึงไม่เน่าเปื่อยยังคงสภาพเหมือนเดิมได้เพราะอะไรหรือคะไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เน่าเปื่อยมีหรอไม่แน่ใครับนั่นสิท่านทก็ฉีดยาก็ยังไม่เน่าเปื่อยเพราะสมัยนี้มันมีวิธีรักษาร่างกายได้ที่มัมมงกมัมมี่เดี๋ยวนี้เขามีวิชาการต่างๆรู้สึกมี มีมีชาวเวยอรมันคนหนึ่งเขาสามารถรักษาร่างกายไม่ให้เน่าเปื่อยได้แต่เขาต้องมีมีการมีขั้นตอนอะไรต่างๆของเขาแต่ถ้าปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อตายแล้วถ้าทิ้งไว้เฉยๆเดียวมันก็ต้องเน่าต้องเปื่อยเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่เน่าไม่เปื่อยคําถามจากคุณจินนี่ ทำอย่างไรถึงจะแก้ทิสัยชอบจับผมและแกะสิวได้เจ้าคะ่ะรู้สึกว่าเป็นการสมจิตออกนอกเจ้าค่ะก็ใช้พุทโธและสหัดสร้างสติไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยู่ที่ผมอยู่าไปอยู่ที่สิวพอมันคิดถึงผมคิดถึงสิวมันก็จะไปไปไปจับให้อยู่กับพุทโธแทนท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคาถามจะคุณโมนี อขอพระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิสำหรับมือใหม่ค่ะก็นั่งขัดสมาลับตาแล้วก็ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือท่องพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นๆอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปหรือเกาะติดอยู่กับลมหายใจไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งเวลารวมจิตก็จะเหมือนตกลุมตกบ่อ แล้วก็จะว่างเย็นสบายมันลอยอยู่ในอ า, ากาศอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเวลาอยู่กับพุทโธแต่เดี๋ยวนี้ก็มาที่ลมเหนือค่ะแล้วมันจะทำอะไรมาที่ลมก็อยู่ก็ทิ้งพุโทโธไปเลยดูดูลมอย่างเดียวแล้วต้องกลับไปพุโทโธไหมไม่ก็ทิ้งพุโทโธไปไว้ทิ้งจะกลับไปทําไม <c oughs> ก็มาที่ลมไม่จะกลับไปทําไมไง <c oughs> อ้าว ก็ใจคุณไม่นี่งใจคุณให้อยู่ที่อย่างใดอย่างอ่คือเริ่มงต้นอาจจะเรื่อพุทโธไปเรากลับมาลงมาที่ลมเราก็ให้อยู่กับลมอย่าไปกลับไปกลับมาเหมือนขี่ม้าเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยเมื่อยังไม่ถึงอ่ะเอาตัวเดียวเอาอย่างเดียวแต่ตอนต้นนี้อาจจะเปลี่ยนได้เช่นตอนต้นจิตมันไม่ยอมอยู่กับลมก็อยู่กับพุทโธก็พุทโธไปก่อนพอใจเริ่มสงก ไม่อยากจะพูดโทนเมื่อเหนื่อยก็หยุดดูลมไปต่อนี้ก็ได้พอมันพูดโทแล้วพอไปมาลมปุ๊บแล้วพอหยุดตอนอยู่กับลมมันคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็อยู่กับลมใช่ไหมก็ให้กลับไปที่ไหนดีค ะ, ะก็กลับไปพูดโทก็ได้ได้อยู่ความคิดอคืออย่าให้คิดเท่านั้นเน่ยจะใช้ลมก็ได้ใช้พูดโทก็ได้ บางคนก็เลยใช้สองอย่างใช้ทั้งลมใช้ทั้งพุทโทก็ได้แต่แต่แต่มันจะสงบไม่สงบก็ต้องดูดูดูผลก็แล้วกันเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของจริตของแต่ละคนจะแปรบอกว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ไม่ได้บางคนเขาดูลมพุทโทด้วยแล้วก็สงบก็ก็โอเคขอให้ดูผลก็แล้วกันเหตุก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางที่เราจะเลือกเอา แต่ต้องดูว่าทางที่เราเลือกนี้ทำแล้วได้ผลหรือเปล่าต่อมาคำถามจะคุณประกาศนะครับเริ่มฝึกตามที่ได้รับฟังพระอาจารย์คือนึกพุทโธ ท, ทุกอิริยาบถแต่พอนั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดมีอาการคล้ายลมหายใจไม่สะดวกกราบขอบคำแนะนำ เวลานั่งสมาธิถ้ายังอึดอัดอยูก็ลองสวดสวดอะไรไปก่อนนั่งหลับตาสวดไปเหมือนแทนที่จะใช้พุทโธมันอึดอัดก็ลองสวดบทมนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปก่อนพอจิตตอ น, นั้นมันยังฟุ้งมากมันไม่ยอมอยู่กับอารมณ์เดียวก็ให้มันอยู่กับบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณส ว, สวดไปสวดไปหลายรอบก็ได้จนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วก็ ลองหยุดแล้วก็ดูลมไปแล้วพูดโทรไปมมถามค่ะคำถามจากคุณวาสนาวันพระเราจะรักษาสิน8แล้วนั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราแผ่เมตตามีโอกาสจะถึงเขาไหมคะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นความสุขความสงบ ก, ก็แผ่ได้จะถึงเขาไม่ถึงก็อยู่ที่เขารอรับอยู่หรือไม่รอรับอยู่ คำถามจากคุณเกทนะครับวิญญาณปฏิสนธิแตกต่างจากวิญญาณในขันห้าอย่างไรครับก็วิญญาณในขันห้ามีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรดส่งมาที่ให้ใจให้รู้ส่วนวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิก็คือตัวจิตนี่แหละที่ไปเกิดใหม่เวลาออกแข่งร่างกายไปก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกับคนผู้หญิงเวลายังไม่แต่งงานก็เรียกว่านางสาวพอไปแต่งงานก็เปลี่ยนเป็นานางไปแต่ก็คนคนเดียวกันเนาะ คำ ถ, ถามจากคุณแอนนะครับการนั่งสมาธิวันละสองครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงกับการนั่งสมาธิวันละครั้งครั้งละหชั่วโมง <c oughs> วิธีไหนจะดีกว่ากันครับก็ล <c oughs> องดูเนยวิธไหนดีกว่าก็เอาวิธีนั้นคำถามจากคุณสุริยาข้อที่1เมื่อก่อนผมภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพจึงทําให้เกิดอาการคอแห้งและเหนื่อย ผมจึงเปลี่ยนเป็นภาวนาพุทโธอย่างเดียวส่วนลมหายใจจะสั้นหรือยาวสั้นหรือยาวผมไม่สนใจทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ดูที่ผลนี่ก็แล้ผลคือกิตสงบหรือไม่สงบสบายหรือไม่สบายก็อ่อนข้อที่สองภาวนาไปได้สักพักคำที่ภาวนาก็เปลี่ยนจากพุทโธเป็นอุทโธ แบบนี้จะเป็นอะไรใหม่ครับไม่เป็นหรอกก็อุดโทรไปก็ได้เดีย๋ยวให้คิดก็แล้วกันคำถามจากคุณสิทธิศัตด์เรานั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับไม่เดินจงกรมได้คำถามจากคุณชิ เมื่อเราเป็นมะเร็งแล้วเราไม่รับการพีโมแต่เลือกควบคุมอาหารเพื่อให้ภูมพุ้มกัน ร, รักษาตัวเองแบบนี้จัดว่าประมาทเกินไปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่เราว่าเราจะต้องการจะรักษาวิธีไหนก็เรื่องของเราหมดแล้วพ่อจ๋าหมดแล้วใช่ไหมก็นะ่าสมควร้วนะนะพอ<ม>ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตตพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ